ถ้าท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายซึ่งมีท่านพัสมุนรีเป็นประธานามาติดรับคำขอร้องให้มาบรรยายธรรมะในรูปของธรรมศาสัจชาที่นี่อีกครั้งหนึ่งโปรดเข้าใจว่า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 ตั้งขออะ้รโปรดกำหนดจดตั้งตั้งใจกำหนดในลักษณะที่จะมีความเข้าใจละเอียดละอออมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าอย่างอื่นที่นี่สำหรับเรื่องที่จะอภิปรายดีทางเจ้าหน้าที่กำหนด ว่าย่ายเสร็จว่าโดยให้หัวข้อว่าท่านเข้าใจธรรมะอย่างไรอาตมาต้องขอเวลาหรือขอโอกาสซ้อมความเข้าใจเกออีเ่ยวกับหัวข้อบรรยายนี้สักหน่อยที่เพื่อประโยชน์จะได้บรรยายได้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 อาจารย์ศึกฤิ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรได้เลยก <c oughs> ็าเป็นเรื่องของท่านผู้ฟังที่ถ้าว่าท่านเนี่ยหมายถึงฝ่ายผู้พูดผู้บรรยายคืออาตมากับอาจารย์ศึกฤทิก็ <c oughs> ดูเป็นว่าจะเป็นเรื่อง ให้ต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับธรรมะดูก็ล้ า, ายๆว่าจะชวนให้เกิดชวนให้เป็นทำการวิวาสเนี่ยมากกว่าที่เรากำลังงงอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคำว่าวาสหรือวาทะนี่ถ้าถือตาม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 ไอ้ที่เรียกว่าอิสซึมอิสซึมที่ใช่ต่อท้ายคำว่าดวนฤทธิ์ซมบุตรฤทธิ์ึมอะไรต่องนี้วาดคำนี้มีความหมายอย่างนี้ท่า <c oughs> นแ้นเราจะมีความเห็นข้อที่ยึดว่าเป็นหลักต่างกันก็ไม่ได้หมายถึงการ <c oughs> <c oughs> วิวาดอย่างที่ชาวบ้านเขาหมายหมายกันตามธรรมดาค <c oughs> <c oughs> ำว่าวิวาด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 นัตมามีความคิดเห็นอย่างไรก็จะบรรยายออกมาอาจารย์คริฤิตก็จะทักทายในข้อที่ควรสงสัยหรือทำความกระจ่างให้ยิ่งขึ้นไปนั้นการที่มีหัวข้อที่ยังกำกวมอย่างนี้ต้องขอภัยที่ทำความเข้าใจกันเสียก่อนที่เราอยากจะ เปลี่ยนไม่ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนแต่จำกัดความหัวข้อนี้ให้ชัดว่าคำว่าท่านนี่หมายถึงพวกเราทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นว่ากำลังเข้าใจธรรมะอย่างไรหรือแค่เข้ามาก็คือว่า เ, เราควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร ที่เมื่อเรานี่ก็คือท่านทั้งหลายรวมทั้งอาตมาสองคนด้วยก็คือว่าเราเคือท่านทั้งหลายคืเอเราทั้งหลายอควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรเอาตมามีความเห็นว่าเราควรจะใช้วัค้อที่จํากัดชัดเจนอย่างนี้ท่านอาจารย์พิชิตจะเห็นยังไงในข้อนี้ก็<อ>ผมไม่มี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 มีหน้าที่ที่จะบรรยายธรรมะตามหัวข้อที่ว่าที่กำหนดไว้โดยให้หัวข้อที่จำกัดทราบกันมาตักหน่อยว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรอาจารย์คิดวิกหัดข้อที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อ่ใหม่อย่างนี้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 กันนับว่าเป็นความคิดรารเห็นที่น่าฟังมากที่เราไม่ควรจะทำอะไรที่แบ่งแยกกระแสะของสมาธิไปหลายทิศหลายทางท่านขอจักชวนท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์อย่างไรจงตั้งจิตให้มีสมาธิอย่างนั้นโดยส่วนเดียว อทีนี้ทมาจะได้กล่าวออบรรยายไปตามความมุ่งหมายทมาขออภัยที่ว่าก่อนแต่ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องตามหัวข้อนั้นพราอยากจะกล่าวถึงเรื่องออปรารภเขตบางประการที่เกี่ยวกับเรื่องนั่นก่อนเสมอเพราะว่าการทำอย่างนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่เราจะพูดนั้นได้ง่ายขึ้น และเป็นการกล่าวบรรยายธรรมะนั้นพร้อมๆกันไปในตัวทัานจึงขอโอกาสที่จะกล่าวคำปราศรเพตด้วยเวลาประมาณหนึ่งในห้าของทั้งหมดหรือหนึ่งในสี่ของทั้งหมดถ้ามาเผลอไปาจากยก็ิช่วยช่วยห้ามล่อหรือว่าช่วยช่วยดึงเข้าไปสู่เรื่องโดยเร็วด้วย ข้อแรกที่มาอยากจะกล่าวก็คือว่าข้อภายอยากถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อไปแสดงคำหรือบรรยายธรรมะที่ไหนอจะมามักจะถูกหาว่าอโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมหรือแก่พระศาสนามากเกินไป่พูดเป็นการทำนองโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมมากเกินไป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 ก็จิงต้องมีการโฆษณาไปในรูปชวนเชื่อด้วยเล่ด้วยอุบายอะไรมากขึ้นทุกทีที่มันแสดงว่า iment. พวกเรามีจิตไกลออกไปจากความเหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะแต่ละมันนึกอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเรื่องของอสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่ตรงกันข้ามกับธรรมะหรือว่าแม้ที่สุดแต่เรื่องที่ถือกันว่า เรเดียดไปทางลามุกอนาจารเป็นอบายยมุกแล้วนี้ก็มีการโฆษณาชวนเชื่อกันยิ่งขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนี่มันเป็นการปลอบเปลือ น, นดึงความสนใจในธรรมะนี่ให้แห้นเหไปหมดทั้งมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อให้แกธรรมะบ้างเพื่อจะต่อสู้กันหรือว่าดึงกันไหวให้เหมาะสม พระมารากัตมาก็เลยคิดว่าแ่าจะถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ข้อยอมเ <c oughs> นี่ยโลกเราเอ่อกำลังร่ายที่พึ่งเนี่ยก็ให้กําหนดข้อนี้ไว้ด้วยเอยิ่งขึ้นทุกทีว่าโลกเรากําลังร่ายที่พึ่งยิ่งขึ้นทุกทีเพราะผลของการโฆษณาชวนเชื่อที่ออกไปเอ่อที่ออกออกมาตามความต้องการของ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 เรามีคุณภาพทางทจิตใจที่จะเข้าใจธรรมะนี่ยเสื่อมลงแม้ว่าทางฝ่ายวัตถุเราจะเจริญมากขึ้นอาตมาอยากจะยกตัวอย่างขอภัยว่า <c oughs> สแยมที่ใช้ปิดซองจดหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ไม่เคยจะได้ตัวกาวที่ทาไว้นั่นนะไม่ค่อยจะติดไม่เหมือนกับสแยมในยุคก่อน นี่ทมาไม่เคยไปรอบโลกแต่นั่งดูอยู่ที่เนี่ยรู้ได้จากสกแตเต็มที่ว่าปิดท้องจดหมายเพราะอาจจะมาปิดทซองจดหมายปิดสเตเต็มเองทั้งนั้นทาราจารีดๆอาจจะไม่ไม่เคยปิดสแตเต็มเองซองจดหมายแต่มาปิดเองเพราะรู้ว่าสแตเต็มเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงที่ตรงกาวที่ปิดสแตเต็มนั่นแล้วทําไมเรามีวิชาความรู้ก้าวหน้าขนาดว่าออกไปนอก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 ใครกล่าวตอบถูกทันทีเลยใครกล่าวแต่ถ้าลองถามว่าประโยคนี้ใ ค, กครค ก, ลกล่ก า, ก า, ลกลาวเพื่อขอพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับไหลใครกล่าวตอบไม่ได้่อ้ลองคิดดูว่าประโยคที่ว่าขอพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับเนี่ย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 วันหนึ่งตั้งหลายพันตันหรืออาจจะตั้งหมื่นตันในโลกนี้ก็แปลว่ามีอิทธิพลมาก <c oughs> ที่สิ่งที่พิมพ์ออกมานั่นเป็นเรื่องทางธรรมะอ่าสักกี่เปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์จะถึงหนึ่งเปอร์เซนหรือว่าจุดห้าหรือจุดศูนย์ห้าจุดศูนศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่ท่านที่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 ให้เป็นไปนในทางที่ว่าอชักใหญ่พันตัวเองเหมือนกับ น, นอนเอตัวดักแด้มากขึ้นมากขึ้นจนมืดมิดจนกัดกัดออกมาไม่ได้ออกมาอดูแสงสว่างไม่ได้แล้วจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรหรือว่าจะสนใจธรรมะได้อย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองดูในวง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 ว่าเรียนธรรมะเรียนบาลีผ่านไปได้โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องเข้าใจธรรมะเลยก็ได้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ข้อนี้เขาให้อธาจารย์่ดิษ์คิดและช่วยอภิปรายอย่างละเอียดสักหน่อยที่แม่คณสงฆ์เราก็ <c oughs> ยังอยู่ในสภาพที่น่าตกใจ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 เป็นความจริงหรือไม่ขออาจารย์ชุริิตช่วยอภิปรายส่วนนี้ <c oughs> เพื่อความเข้าใจอันดียิ่งกันเสียก่อนขอเชิญผมก็เห็นด้วยก็ที่ท่านได้บรรยายมารู้สึกว่าทุกวันนี้คนเราก็าไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจ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 ถามอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะไม่รู้เพราะเหตุว่ารู้ธรรมะแล้วไม่ได้คะแนนอันนี้ก็เป็นความจริงอีกก็เห็นจะไม่ต้องอภิปรายหรือไม่ต้องพูดว่าอะไรรู้สึกว่าก่อนเด็กเราทุกวันนี้ก็พยายามที่จะหาความรู้เพื่อหาคะแนนมากกว่าที่จะหาความรู้เพื่ออย่างอื่นจ้ก็อยากสอบได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาของเด็ก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 คือผู้โฆษณาธรรมะนั่นก่อนจะโฆษณาดูลักษณะของตลาดก่อนว่าต้องการอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาโฆษณามาขายให้คนที่อยู่ในวัดทุกวันนี้มารู้ว่าตลาดโดยทั่ ว, วไปเขาต้องการตันหาอุปาทานก็นำเอาสิ่งที่อ้างว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงเต็มไปด้วยตันหาอุปาทานเอามาเสนอให้เอามายืนให้เป็นต้นประเทศศานาสั่งสอนในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เ, เทศนาทางทางวิทยุทางอื่นในเรื่องชีวิตบนสวรรค์เทวดาเกี่ยวพาราสีกันอย่างไร เ, เป็นเรื่องสนุกสนานคืนครื้นฟังกันทั่วประเทศะระลอดจนกระทั่งพูดไปถึงเรื่องอสิ่งที่อาจจะเป็นจริงไม่ได้หรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เหล่านี้ เ, เป็นเรื่องที่แม้แตเ่เด็กๆก็อาจจะเถียงได้ผมสังเกตดูรู้สึกว่าการโฆษณาธรรมะทุกวันนี้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 มีการวิพากษา์วารณ์แข่งแย่งแข่งดีก็ไม่ยงงังกัดสินค้าตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้อส่งเสริมการเรียนวิพากสนากันมากเข้าสำนักวิปัสษ์าต่างๆกันเสร็จแล้วก็ออกมานินทากันอวิพากษ์สำนักโน้นไม่ดีสู้สำนักนี้ไม่ได้สำนักนี้ดีกว่าสำนักโน้นอนินทากันไปทังเรื่องส่วนเนื้อส่วนตัวของบุคคลผู้จะเป็นครูบาอาจารย์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 แล้วต้นด้านไปเลยขอบเขต <c oughs> ยกตัวอย่างที่เป็นทริฎยดีล้วนๆ <c oughs> เช่นตัวอย่างเช่นเรื่องอาภิธรรมอาภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องท ร, ริฎยดีล้วนๆไม่แสดงหลักหรือวิธีปฏิบัติถ้าจะพูดด้วยการเปรียบเทียบจะเข้าใจได้ดีกว่าเพื่อจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าเราจะ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 หรือมันชวนดึงเชวนให้เกิดความสนใจมากกว่าคนก็จะต้องคิดว่าไปคิดสร้างมนุษย์กันขึ้นมาให้ได้ใหม่เนี่ยมันน่าสนุกกว่าลึกซึ้งกว่าน่าอัศจรรย์กว่าวิเศษวิโสกว่าส่วนวิธีที่จะปฏิบัติโวยมนุษย์ที่เกิดอยู่แลตาดำๆเนี่ยเอาชนะความทุกข์ให้ได้นี่ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยคือข้อความที่ยืนยันว่าเราสนใจกันแต่ในแง่ทฤษฎีล้วนล้วน ด้นดันไปจน เ, เลยอขอบเขตสิแล้วหรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้ตําลงมาอีกให้ง่ายลงมาอีกก็เหมือนกับว่าเราจะคิดคน้นใช้วิชาคิดค้นหาสูตรหาอะต่างๆจนว่าสร้างต้นมะพร้าวขึ้นมาได้ไหม่เองเป็นต้นมะพร้าวขึ้นมาใหม่เองหรือว่าเราจะไปศึกษาวิธีปลูกมะพร้าวที่มันมีพันุ์อยู่แล้วในในในโลกนี้เนี่ย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 เราหลงเคร่งวินัยเคร่งวินัยมากเคร่งในลักษณะที่กวดกันอย่างยิ่งได้ด้วยแล้วเราก็หลงท่องพระสูตรท่องจำได้มากพูดได้มากแล้วก็เราก็หลงถกธรรมชชั้นลึกชั้นปรชัชญาหรือชั้นอภิธรรมส่วนที่เป็นทรษฎีทางหลักวิชานั้นเราแบ่งเป็นพระวินัยพระสูตรพระ ปรามัดหรออภิธรรมในส่วนวินัยเราก็พยายามหลงเคร่งในส่วนทศสูตรเราก็พยายามหลงสวดท่องบนในส่วนปรามัตดอภิธรรมเราก็หลงถกเทียงกันนี่ <c oughs> มันเป็นมากจนถึงขับว่าลืมลืมดูธรรมะที่เนื้อที่ตัวลืมทําเนื้อทําตัวให้เป็นธรรมะ เอามาใช้ทาอย่างนี้ก็ขาออภัยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เอได้โปรดรับฟังไปพิจรารณาจนลืมจะทําธรรมะให้มีอยู่ในเนื้อในตัวหรือทําเนื้อทําตัวให้เป็นธรรมะเนี่ยลืมไปจะไปหลงเคร่งวิ น, นัยหลงท่องพระสูตรหลงถกอนภะิธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือว่าอุปสรรคแก่การเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นอย่างยิ่ง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 เป็นอย่าง <c oughs> การทำการค่าชนิดหนึ่งก็ได้เนี่สรุปความว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเสนใจธรรมะกันแต่ในแง่ของตรริตดีแล้วก็ต้นดันออกไปเลยขอบเขตของความจำเป็นจนกระทั่งว่าพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนั่นเองมากลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเนิ่นช้าทวงเวลา ให้แกเราไปเส่ในการที่จะเข้าใจธรมมรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ขอ้อแท้จริงข้อนี้อาจารย์ชุตริสมีความเห็นอย่างไรมาขอร้องให้ช่วยอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เห็นอย่างทีเท้าว่าแล้วครับก่อจะพูดอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยทุกทีอคือท้าวที่ผมความเข้าใจของผมเองผมเห็นว่า เหตุของปัญหาต่างๆที่ท้าวเดชกรุณากล่าวมานั้นมันอยู่ที่ว่ามันมาจากความขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์ว่าเราศึกษาธรรมะเพื่ออะไรและเรารู้ธรรมะเพื่ออะไรทุก ค, คนทั่วไปไม่ไม่ได้สนใจในแง่เหล่านั้นมักจะเข้าใจบางทีก็ง่ายเกินไปเป็นต้นว่าเข้าใจระศา ส, สนาทุกศา ส, สนา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 ผมก็อยากจะกราบเรียนถามว่าใต้เท้ามีหน้าที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งับผู้อื่นใต้เท้าจะทำยังไงท่านมาข อ, อ ข, อ, ข อ, อย่างนิดถึงว่าในฐานะาที่อาจารย์คริตรู้จักโลกรู้จักประชาชนรู้จักสังคมกว้างขวางพอจะมองเห็นว่าสังคมที่เฉหรือหวยหรือเพ อ, อร์ไปมากอย่างนี้เรามีทางที่จะ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 นับถือได้หมดนี่ประการแรกเราก็ไม่รู้วนับถือพุศา ส, สนาเนะี่ยเจ้ต้องนับถืออะไรประการที่สองนับถือเพื่ออะไรเชิดชกไทยแลนด์ก็ไม่ได้บอกนั่งเฉยดก่อนที่นังอย่างนั้นอ่าไปถามท่านองค์นี้ท่านองค์ที่บอกว่านับถือเพื่ออย่างนี้ไปถามองค์โน้นบอกว่าเพื่ออย่างนั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของศาสนาเรามีมากเหลือเกินจนเอาเป็นยุติไม่ได้แล้วแต่วัดแล้วแต่คณะแล้วแ ต, ต่กติแล้วแต่สบองคนลับผืน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 ท่านพูดแตกต่างกันไปหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องที่สองที่ว่าจะต้องตั้งหลักทักทีว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพื่ออะไรตลอดจนต่อไปก็วางหลักลงไปด้วยบกที่เรียกว่าความดีคือความดีอะไรอะไรเป็นความดีสูงสุดเอ่อที่เรียกว่ารู้ศาสนาพุทธรู้อย่างไรถึงจะถือว่าเป็นความรู้และตลอดจนในสุดก็จะต้องสอนด้วยสอนหลักสาคัญที่สุด คือความรู้ที่สําคัญที่สุดที่พระท่านเรียกว่าหรือในท่าเรียกว่ า, ากัตตยานนะ่คือรู้ว่าทําตัวในทําหน้าที่ของพุทธมามะกะแล้วนะ่ะมีเขตไหนเป็นจุดจบคือสําเร็จที่ตรงไหนทุกวันนี้ไม่มีใครบอกนั่งทําเกือบตายก็ไม่รู้ว่าทาแล้วหรือยังขึ้นตน้นคือไม่รู้กิจจยานไม่รู้กัตตยานไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาแค่นั้นก่อนเพราะว่าให้คนเข้าใจเหตุผลเพราะว่ามีฉาง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 ต้องตั้งตัวเองเป็นเชิดชกไทยแลนด์สำหรับตัวผมเองตั้งหลักศาสนาตั้งดอกมากพอมขึ้นมาเองเวลานี้ผมจะเรียกผมนับถือศาสนาใหม่ก็ได้เป็นศาสนาพุทธที่ผมกำหนดตัวเองตามความเข้าใจของผมเองแล้วผมก็นับถือผมคนเดียวไม่สอนให้ใครทั้งนั้น <c oughs> ที่เป็นั้นว่าเรามีหวังที่ว่า เราจะพยายามเราจะต้องทำความเข้าใจในหลับทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับคำว่าธรรมะนี่ให้ถูกเลยให้กรง เ, ออเป็นอันเดียวกันเสียก่อนในวงพุทธบริษัทเราแล้วเราก็ประสบปัญหายุ่งยากอย่างอาจารย์กฤษณ์ว่าที่ว่าแต่ละสำนักหรือแต่ละคณาจารย์นี่มักจะเพ่งเล็ง ไปในแง่าใดแง่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตามความเห็นของตัวแล้วยกขึ้นเป็นหลักหรือเป็นหัวใจของธรรมะก็ทำความลำบากให้แก่สังคมท่านหัวข้อของเราที่มีอยู่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรนี่ก็นําว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะสมแล้วเมตมาก็จะเที่กาดกล่าว เนื้อหาของเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร <c oughs> เกี่ยวกับข้อนี้มาขอชักชวนให้สนใจกับคำว่าธรรมะคำนี้การอีกครั้งหนึ่งธรรมะของคำว่าธรรมะนี้ให้สูงยิ่งขึ้นไปอเพื่อให้เข้าใจแต่ต้นจนตลอดจริงๆ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 เหมือนกับว่ารสหวานรสเค็มนี้ไม่อาจจะเอามาอภิปรายให้คนเข้าใจมันได้นอกไป เ, เว้นแต่แต่ว่าให้เขาชิมมันจริงๆรนั่นจึงถือว่าไอธรรมะที่อาจจะเอามาพูดได้อภิปรายได้อนี้ยังไม่ใช่ธรรมะแท้จริงและสูงสุดนั่มาขอให้ท่านกฤ่เคยวินิจฉัยหลักที่ว่านี้อีกทีหนึ่ง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 <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็คือสิ่งทั้งปวง้า้คำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรหมดจะเป็นรูปประธรรมเป็นนามรธรรมเป็นตัวการกระทำผลของการกระทำจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะเที่ยงแท้ถ้าวอนหรือไม่เที่ยงแท้ท้าวอนอะไรก็ตามสิ่งทุกสิ่งนั่นแหละคือธรรมะ <c oughs> ที่นี่ <c oughs>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 ในหมวดที่สามนี่ก็คือหน้าที่ที่สิ่งทั้งปวงจะต้องประพฤติต่อกันและกันรวมทั้งต่อตัวเองด้วยเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกและถึงที่สุดของความผาสุกเี่มาขอกก่ายืนยันว่าเท่าที่ได้สอบสวนศึกษาค้นค้าอะไรมาทั้งหมด <c oughs> จับใจความข้อคว า, ค ว, าว่าธรรมะได้เพียงสามความหมายที่ น, นั้นความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติทั้งปวง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 เนี่ยขออนุาอีกว่าธรรมะนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติแะต้องมีเพื่อไม่ให้สิ่งทั้งปวงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เป็นการกล่าวตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือมุ่งหมายจะกล่าวเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้นเองแต่ตามความมุ่งหมายของพระศาสดาผู้สอนศาสนา แ้าถ้าเราจะกล่าวกันในแง่ของอวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาหรือปรัชญาหรืออะไรเท่า น, นั้นลยังกล่าวเลยอย่างอื่นโดยโวหารอื่นอีกมากมายจนจนจ น, จนปั่นเผือไปในที่สุดที่ข้อากล่าวสั้นๆแต่เพียงว่าธรรมะคือสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องปฏิ บ, บ, บัติและต้องมีเพื่อไม่ให้สิ่งทั้งพวงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นและในที่สุดเราจะพบว่า การกระทานั้นไปสิ้นสุดเ อ, อลงตรงที่ว่ามีธรรมะเนี่ยก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นเนีย่ยชักจะงงๆงกันคราบบางก็ได้ว่าไ อ, อ้ที่มีธรรมะจริงมีธรรมะชั้นสูงสุดนั่นก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นว่าธรรมะคือตัวเราธรรมะนั้นคือของเรา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 แค่นั้นมันก็เป็นอย่างตามถ้ย่างสูงขึ้นไปอีกก็ต้องพยายามทําหน้าที่ต่อตัวเราเองจนจะถึงไปความผาสุขที่สูงสุดแต่ความผาสุขที่สูงสุดนั้นก็ได้ท่าปฏิ ก, กามมาแล้วคือว่าได้เกิดการหมดอุปาทานไม่มีอุปาทานแม้แต่ในธรรมะนั้นๆมันก็เท่านี้ทีนี้ทำไงจะให้เขาเชื่อได้ก็เป็นว่าอาตมาก็ตามอาจารย์ชื่ออะไรก็ตามยืนยันในขออ้อเดียวกันว่า ธรรมะคือสิ่งนี้เอคือของอย่างนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์ครึ่ทีทท่อาจจะพูดจะอธิบายด้วยวิหารธรรมดาง่ายๆได้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดที่จริงอาจจะพูดในวิหารธรรมดาเอให้ท่านรเข้าใจอย่างธรรมดาได้อยิ่งกว่าธรรมาอกีกถ้าขอให้คอยฟังให้ดีว่า ธรรมข้อที่หนึ่งคือธรรมชาติเล็งถึงธรรมชาติข้อที่สองเล็งถึงอกฎธรรมชาติอันที่สามเล็งถึงกิจคือหน้าที่ที่ที่สิ่งทั้งปวงจะพึงทํารู้ปฏิบัติมีธรรมะจนกระทั่งไม่มีอุบาทานในสิ่งใดและเรียกว่ามีจิตว่างที่นี่คำว่าจิตว่างเนี่ยคือประเด็นใหญ่ประเด็นสําคัญที่ตั้งใจจะอภิปรายในวันนี้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 ที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติจนจนให้ถึงใหจนได้เพื่อความเป็นผู้มีจิตว่างเนี่ยให้จนได้ก็จะต้องศึกษารีบศึกษาดิปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดนี้ให้ได้เราจะได้เ อ, อภิอภิปรายถึงคําว่าว่างทต น, นี้เาจมาอืยากจะขอขอแทรกแซงอข้อคิดอันหนึง่ง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 เนี่ยขาคอยย้ำเพื่อให้ไม่กาควรมหรือบางชัดอีกทว่าท่านยิ่งศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา <c oughs> และโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเราคิดดูยิ่งศึกษาพุทธศาสนาจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ า, าศาสนาของท่านทั้งหลายโดยมากเล็งถึงแต่หลักวิชาหรือหลักวิจดี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 ทั้งฝ่ายเทรวาวและฝ่ายมหายานแล้วก็ยังแถมศึกษา้วิชาทั้งหมดที่จัดเป็นไในอินโดโลยีคือวิชาที่เกี่ยวกับเพศประเทศอินเดียทั้งหมดเลยศิลปวัฒนธรรมปรัชญาศาสนาอะไรหมดอในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียทั้งหมดอาตมาก็ว่ายิ่งไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนามิแต่จะยิ่งวงเวี ย, ววยนอยู่ในป่ารกปารก่ปาพงอะไรอันหนึ่งเท่านั้น ในที่สูดก็เวียนหัวก็เลิกราไปเอกเป็นว่าแต่จะยิ่งศึกษาโลกหรือชีวิตหรือความทุกข์คือตัวเองในขอบเขตที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เนทะ่านั้นคือเราเนี่ยยาวประมาณวาหนึ่งนะแล้วเราที่กําลังมีชีวิตเป็นๆอยู่เนี่ยี่มีความรู้สึกเอคิดนึกอะไรได้นี่ให้เป็นอย่างมากที่เราจึงจะ รู้พุทธศาสนาคือรู้ธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเออ่พากันลงเรียนพุทธศาสนาเรียนภาษาปีด ก, กทั้งหมดเรียนอินโดนโีเซียทั้งหมดและอะไร อ, อีกมากมายเนี่ยโดยหวังว่าจะรู้ธรรมะหรือจะรู้กับพุทธศาสนาแตาา่ว่าว่าแต่มายืนยันว่ายิ่งทำอย่างนั้นยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาจะยิ่งเข้ารกเข้าพงและเวียนหัวในที่สุด ถ้าขอยศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เนื้อแก่ตัวจริงๆมองดูเข้าไปในเนื้อในตัวจริงๆว่าเราเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในวินาทีที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเราไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้ยิ่งมองมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจก็พุทธศาสนาหรือธรรมะโดยตรงและโดยเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นเกี่ยวกับ ความกอนี้อาจารย์คือดิมีความเห็นอย่างไรขอขอพิปลายด้วยผมว่าท่านสอนศาสนาอย่างนี้ต้องสอนสองนคมนกับผมดีกว่า <c oughs> คือว่า <c oughs> ถ้าเชิญว่ า, าต้อง <c oughs> ต้อ ง, ต, องต้องคนไม่ยุดสอนคนไม่ยุดนะครับถ้ า, พ, า <c oughs> พูดอย่างนี้ไปสอนคนที่เขายังยึดเขาจะเข้าใจผิดมีทางเข้าใจผิดยังไงโอผิดแยอะคือพระวจนะที่หนึ่งจิดว่างท่านบอกว่าจิตว่างความจริงท่านหมายว่าจิตที่ไม่มีอุปาทาน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 เอาความไม่พอใจแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดทุกได้มันจะยิ่งทุกข์หนักไปอีกถ้าหากว่าเรารู้แนวพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาโลกในแนวนั้นผมว่าบางทีจะจัดดีกว่าส่วนเรื่องพระไตรปิฎกที่ศึกษาแล้วไม่อาจจะช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้นั้นผมไม่พูดแล้วครับพูดไปเดี๋ยวคนก็จะมาดา่าผมหยาบหยาคายๆอีกเขาเคยด่ามาแล้วเอามาพอใจออที่ได้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 อินโดโลยีที่พวกฝรังเขามักจะพูดว่าต้องเรียนก่อนจึงจะรู้พุทธศาสนานั้นพอมาเห็นว่ายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งออกไปวงกว้างออกไปใหญ่ไม่เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาโดยที่เขาเข้าใจว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของอินเดียศาสนาหนึ่ง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 เรียนพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกฝ่ายเทราว่าฝ่ายมหายานพิชาอินโดโลยีอะไรอะไรหมดแล้วเขาจะรู้พุทธศาสนาอย่างยิ่งมาสอนเราตอนนี้ไม่ต้องกลัวถ้ายังหลงอยู่ในสวนดอกไม้ที่กว้างขวางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะพบหัวใจของธรรมะหรือหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยพระอค์ขอให้เข้าใจว่า ยิ่งศึกษาพุทธศาสนาแล้วยิ่งไม่รู้พุทธศาสนานั้นมีความหมายอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ที่ว่าให้ดูที่ตัวทุกขหรือตัวโลกตัวชีวิตเนี่ยเรามีความหมายเฉพาะดังนั้นได้โปรดถือว่าเป็นคําที่มีความหมายบัญญัติเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านตัดคําว่าโลกกับคําว่าทุกนี่ในบางอแทนกันเลยโลกก็คือทุกทุกก็คือโลกบางที่ใช้คำว่าโลกบางที่ใช้คำว่าทุก ก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาโดยที่แท้แล้วตัวโลกนั้นไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขแต่ถ้าว่าเมื่อใดเอมีความยึดมั่นหรือมั่นในโลกนั้นในในลักษณะว่าเราว่าของเราแล้วเมื่อนั้นโลกเนี่ยจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไอ้โลกนี่ยจะหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติบุตรพันรยา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 เนี่เรียกว่ายิ่งดูทุกข์จะยิ่งรู้เอจากทุกข์และยิ่งรู้ธรรมะยิ่งรู้พุทธศาสนาขอใถือว่าเมื่อกล่าวว่าทุกข์และขอให้มีความหมายอย่างนี้เป็นคําความหมายมีความหมายบัญญัติปลายเฉพาะทุกข์ต่อเมื่อยึดมั่นถือมัน่นเมื่อไม่ยึดมันมนมมดม่นถือมั่นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันเหมือนกันถ้าไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์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 ยึดมั่นถือมันอม่นว่าความเกิดของเราเข้าความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ย un, ึดมั่นความเกิด น, นั้นไม่เป็นทุกข์ความแก่ก็เหมือนกันความตายก็เหมือนกันความเป็นทุกข์อย่างอื่นใดก็เหมือนกันจึงเรียกว่าไอ้ความทุกข์หรือโลกเนี่ยตัวโลกเนี่ยถ้าไม่ทุกข์ยึดมั่นคือไม่มีไ ม, ม super, ไม่มีการยึดมั่นแล้วไม่เป็นทุกข์พอยึดมั่นเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนัน้นดูกันแต่ในแง่นี้ในข้อนี้ทุกคราวที่มันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่น คือทุกคราวที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเอไปตามันดับเนี่ยจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราได้เสียดีเร็วอะไรอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นเป็นเป็นขณะที่มีไหวเฉพาะสำหรับศึกษาพุทธศาสนาและเข้าใจธรรมะได้เร็วที่สุดจึงว่ายิ่งศึกษาที่ความทุกข์ แต่ในลักษณะเช่นนี้ในวิธีอย่างนี้ในความหมายอย่างนี้จะยิ่งรู้พุทธศาสนาโดยเร็วที่สุดอ <c oughs> ขอให้ชักชวนกันศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้แล้วเชกันบอกกล่าวเพื่อนฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศว <c oughs> ่าว่าถ้าอยากรู้พุทธศาสนาโดยตรงหละโดยเร็วแล้วขอให้ทอย่างนี้ถ้าใจไปดกหรือวิชาอินโดอรโลยีอะไรต่างๆนั้นยังช่วยไม่ได้ยังไม่พอ <c oughs> จึงสรุปว่ายิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งศึกษาโลกหรือความทุกข์ในลักษณะที่มากํลาลังตาวเนี่ยจะยิ่งรู้จักโลกและรู้จักความทุกข์และจะสามารถมีทําให้มีความชนะโลกหรือชนะเอความทุกข์ได้เป็นนั้นว่าเราใกล้เข้ามาคือว่าเคยเรียกไล่เข้ า, าขมาที่ว่า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 คำว่าศาสนาถ้าเล่งทิ้งธรรมะอย่างสมัยพุทธการเขาใช้คำคำนี้แล้วก็ใช้ได้อย่างเขาทักพระทางว่าชอบใจธรรมะของใครนี่เขาไม่ได้ทักว่าซื้อศาสนาของใครแต่ที่เราเอาคำว่าศาสนาเนี่ยมาใช้แนทนธรรมธรรมะแล้วมีความหมายของคำคำนี้เฉยไปเฉกไปเฉยไ ป, ยไ ป, ยไปจนเป็นเรื่องปริยัดล้วนๆเป็นเรื่องทิษฎีล้วนๆในตัวน้องนั้นทำให้เกิดความลําบากขึ้น ที่นี่เราก็มาอถึงสิ <c> ่ง <oughs> ที่เรียกว่าหัวใจหัวใจของธรรมะหรือจะเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้แล้วแต่จะชอบหัวใจอ <c oughs> น, นี่เราคาคํานี้เราเราตั้งกันขึ้นเองดีกว่าเราเราอย่าอย่าไปซักพระพุทธเจ้าหรือซัดพระอรหรันต์พระอัตถกาช า, า์อะไรเราตั้งขึ้นเองในเมืองไทยเนี่ย ทำว่าหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าในขั้นพุทธกาลนั้นพุทธศาสนาเป็นหัวใจล้วนๆอยู่แล้วแต่พอมาถึงยุคนี้เนื้อหนังกับพี่เปลือกอะไรต่างๆเนี่มันงอกขา้มากกว่าไปจนไม่รู้ว่าหัวใจของธรรมะหรือพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนมันจิ่งเกิดเป็นปัญหาพิเศษขึ้นเฉพาะสมัยนี้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหนแต่เราก็จําเป็นจะต้อง มีคำคำนี้ขึ้นมาใช้ที่เราจะได้พิจ า, ารณากันหนึ่งข้อที่ว่าอะไรเป็นหัวใจของธรรมะหรือของศาสน า, ศาโดยทั่วไปในวงพุทธบริษัทถ้าถามว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรามาสังเกตเห็นว่าส่วนมากที่สุดตอบกันไปว่าไอคําสอนสามข้อที่เรียนว่าโอวาทปาดิโมก ก็้อนว่าอย่าทำชั่วทุกอย่างทำความดีทุกอย่างทำจิตให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกระือนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่บางคนก็ว่าไอ้คาถาพระอัศชิที่ว่าเยธรมมาเฮตูปภภาวเตสังเฮตุงธาตโตที่ที่ถูกจารึกในแผ่นอิฐมากที่สุดตั้งในอินเดียแลยแม้ในเมืองไทยที่นครปฐมเนี่ย ซึ่ง <unlucky. S 2> เรื่องมีว่าเมื่อพระสาจจิสตาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกออกประกาศศาสนานะมีคนถามท่านว่าพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมนี้ว่าอย่างไรอพระอัจจิสตอบว่าโดยโดยปริยายก็โดยกว้างกว้ังนั้นเราไม่รู้เรารู้แต่โดยย่อที่ว่าโดยย่อในต้องการเพราะว่าอย่างไรจึงตอบอย่างนี้คาถาเยธรรมาเหตุปปภาวจึงเป็นคาถาสัพดิ์สิท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 เนี่ ย, ขยเขาใลองเข้าใจว่ามันมันถูกหรือมันผิดเมื่อไหร่เมื่อมันกล่าวต่างๆกันอย่างนี้ต <c oughs> ัวอตาตมานั่นขอใช้คำว่ายึดยึดหรือติดในพระพุทธภาสิตอีกอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในมัชชิมมิกายว่ามีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปให้เป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวได้หรือไม่แล้วว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าได้แล้วว่าสัเพเทธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะแปล ว, ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือทั้งหมดถ้าได้ยินข้อนี้คือได้ยินทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้คือได้ปฏิบัติทั้งหมดจะได้รับผลจากข้อนี้คือได้รับผลทั้งหมดที่เราพิจารณาดูว่าอันไหน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 ใ ห, ใ, ห ใ, หให้ให้ให้ให้รู้ว่าเราจะต้องถือเหตุผลกันแล้วจะต้องดับที่เหตุจึงจะดับผลได้คำอนองนี้ <c oughs> ที่ส่วนเรื่องอริยสัจนั่นก็มีถึงสี่เรื่องและแต่และเรื่องกง็กว้างๆมาไม่อไม่ไม่ไม่ไม่สนไม่ประสงค์หรือไม่ไม่ชอบที่จะถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะมันมันมากคามากเรื่องถึงสี่เรื่องและแต่ละเรื่องก็ายาวจริงๆติดใจสนใจยอย่างยิง่ยงในพระพุทธภาสิต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 และจิตที่ไม่ได้มีความยึดมั่นโดยปาทานในจริงใดว่าตัวเราเนี่ยเป็นจิตที่สมบูรณ์โดยสติปัญญาและสมบูรณ์โดยสติสัมปชัญญะมีสองอย่างผมขอให้กําหนดเป็นพิเศษสติปัญญาคำหนึ่งสติสัมปชัญญะคำหนึ่งในขณะที่จิตว่างเท่านั้คนเรามีสติสัมปชัญญะและมีสติปัญญาในขณะที่จิตวุน่นเรามีตันหาวปาทานนี่เป็นของตรงกันข้ามเป็นสองฝ่ายเสมอ อันที่ว่าจิตว่างก็หมายความว่าจิตไม่มีอุปาทานไม่มีอีโกอิซึมไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกทำนองนั้นแต่แจมไซต์ตดไซต์เยืเอกเยินอยูด่ด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างตามหลักของอพระพุทธศาสนาเพรานจึงถือว่าหลักที่เป็นหัวใจข้อเดียวสั้นๆของพุทธศาสนาก็คือทาจิตให้ว่างจา อย่ายึดมั่นหรืมั่นว่าตัวเราหลักของเรานี้คือหลักที่เป็นหัวใจแท้ของพระพุทธศาสนาการที่เราจะมีหลักที่เป็นหัวใจของธรรมะหรือของพระพุทธศาสนาอมนประโยคสั้นๆอย่างนี้จะเป็นที่เพียงพอเอหมาะสมแกสังคมในยุค ป, ปัจจุบันนี้หรือไม่อย่างไรขออาจารย์ชลิดช่วยวินิจฉัยก็ฟังท่านอธิบายนี่ก็เข้าใจนะครับ แต่ว่าก็จะต้องกรึกรองแตผมเห็นว่าผมเองเน่ยเห็นด้วยแต่เห็นว่าหลักนี้จะถือว่าง่ายอย่างที่ในท่าว่าน่ยมันไม่ง่ายคือจะไปอธิบายให้ลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านฟังเอาแค่เย่ทำมาเหตุตัพภาวะนี่ก็ลําบากแล้วแกก็ก็จะแปลก็แปลว่าทำทั้งหลายย่อมมีเหตุพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุนั้นแล้วแล้วทําอย่างไรถึงจะไปถึงการหมดสิน้นอุปายพานจากเหตุนี้อธิบายกันหลายวันเสีเดียวผมเคยลองอธิบายแล้ว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 ก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ทุกข้ อ, อ, อนอกจากว่ า, าเพื่อวความง่ายความสะดวกจะยึดแต่ธรรมะก่อนเดียววใจพระาศาสนาเพื่อให้หมดสิน้นให้ถึงที่การหมดสิน้นอุปาทานมันก็พอจะทำได้แต่ทีนี้พระอมก็ยังติดใจอยู่ทีว่าเราพิจารณาโลกอย่างไรก็ตามทีโลกและความทุกข์รู้จักโลกรู้จักทุกข์ถ้าใจไม่รู้จักพระพุทธเจา้าไม่รู้จักคาสอนสั่งสอนพระพุทธเจา้าเราไปไม่รอด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 ถ้าจะศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีมันก็ติดได้เพราะเหตุว่าพระไตรายปิฎกไปหนังสือไพเราะจริงๆอ่าในทางอัจฉริยก็มีสูงถ้าจะศึกษาในทางเหตุผลพระไตรปดฎกก็ไพเราะจริงๆอีกในสาระมีเนื้อความมีเหตุผลมากมายเหลือเกินถ้าจะผัดศึกษาในทางอั ก, รอกรษรศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาอีกเป็นภาษาโบราณที่น่าสนใจมาก นี่ก็มันก็นเป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้อีกครับพระชายาบิดกเนี่ยคือจะไปลืมซะเลยก็ไม่ได้เราธรรมะก็ว่าพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราเอามาพูดกันได้ทุกวันนี้ก็า ม, มาจากพระชายาบิดกก็มไม่ได้มาจากไหนจริงอยู่ทศการศึกษาพระชายาบิดกรุ่มหลงไปก็มีอาจจะมีสิ่งพุ่มเฟือยมากแต่ของที่เราเห็นว่าถูกก็ยังอยู่ในพระชายาบิดกนั่นเองรวมทั้งของที่เราไม่เชื่อที่เราเห็นว่าผิดด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนชี้ว่าพระชายาิดกหน้าไหนฉบับไหนถูกหน้าไหนผิด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 ที่ผมเชื่ออย่างนี้จะผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบข อ, อ, อกราบเรียนถามท่านอาจมาเข้าใจแล้วอาจารย์มามองเห็นแล้วว่าอว่าที่เรายังเข้าใจเอไหว้กันอยู่นั่นคืออย่างไง <c oughs> ที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอาคือหลักพระพุทธภาษิตข้อนี้นั่นมัทอะวาจะเลือกเอาหลักที่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 เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัตินั้นนะ่ะความเชื่อนั้นนะ่ะเอามาระดุมระดมทุ่มเทลงไปที่หัวใจของพระพุทธศาสนาและจะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดกว้างขวางที่สุดสมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าได้รวมพระพุทธประธรรมพระสงค์สีนสมาธิปัญญาหรืออะไรหมดสิน้นทั้งพระพุทธศาสนาไว้ในประโยคประโยคนี้ <c oughs> ข้อนี้หมายความว่าพระพุทธธรรมพระสงค์ที่แท้จริงนั่นก็คือคู่หรือภาวะหรือบุคคลที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นหัวใจของพระพุทธเจ้าก็คือภาวะที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเอพระพาะท่านจัดรู้และท่านทําลายความยึดมั่นถือมั่นหมดไปนั่นพระพุทธเจ้าองค์แท่องค์ องแท่องภายในองแท่องเนื้อแท่นั่นคือภาวะแห่งความมายึดมั่นถือมัน่นส่วนร่างกายนั้นเหมือนกับบุคคลตัวไปที่พระธรรมหัวใจของพระธรรมก็คือภาวะของความมยึดมั่นถือมัน่นพระธรรมส่วนที่เป็นปริยัตสำหรับศึกษาล่าเรียนก็ให้เรียนเฉพาะเรื่องที่จะทำลายความยึดมั่นถือมัน่นพระธรรมในส่วนปฏิบัติคือพระปฏิบัตทิทีรท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 แล้วเมื่อหมดความยึดมั่นถือมันแล้วเนี่ยคือประพุทธประธรรมประสงค์หรือแลแต่จะเรียกนี่เรียกว่าโดยหลักอันนี้อันเดียวเท่านั้นเรามีประพุทธประธรรมประสงค์ในเนื้อในตัวที่นี่เพิ่มขึ้นมาถึงว่านี่นิสัทธาในประพุทธประธรรมประสงค์นี่หมดปัญหาไปแล้วที่เลื่อนขึ้นมาถึงว่าสีออศีลสมาธิปัญญาเมื่อทําอยู่อย่างนี้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 เรื่อการเพ่งพิจารณาอยู่เสมอเอในหลักที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ขวนยึดมั่นถือมั่นนี่ยคือตัวปัญญาสูงสุดเป็นอปัญญาที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ใจพวกเรามีถ้าเราจรึงมีศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าจะพูดถึงไอวัตถุตัวพระไตรปิฎกเราก็เห็นได้ชัดว่าพระไตรปิฎกทุกคําพูดมุ่งไปยังการทําลายความยึดมั่นถือมั่นทั้นั้น เรารวบเอามาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการจะเห็นได้ชัดว่าความทุกเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมัน่นที่ทุกเร่าร้อนอยู่ในใจเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมัน่นขอให้ดูให้ดีพอดูให้ดีเห็นว่าทุกประความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราได้อริยสัจสองข้อเต็มๆแล้วคือ เ, เรื่องทุกข้อหนึ่งเรื่องสมุทัยข้อหนึ่งที่กำมองเห็นชัดต่อไปว่า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 มันต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ก่อนจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แต่หลังจากนั้นก็ฝ่าฝันถูกต้องเองคือมีสัมมาทังกับโภถูกต้องเองนล้วก็พูดจาถูกต้องเองกัมมันโตถูกต้องเองอาชีววายามุสสีสมาธิถูกต้องเป็นหางตามกันไปเองนันสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเสมอพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนั้สัมมาทิฏฐินั้นก็คือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น ว่าเราว่าของเราเนี่ยเราจึงมีอริยสัจอีกสองขมาเข้าเป็นสี่และเป็นอริยสัจร่วมอยู่ในคำคาเดียวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นท่านศรัทธาในพระพุะทธธรรมประสงค์กตีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากตีการปฏิบัติ อ, อื่ น, นๆทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดหรือปฏิจจสมุปบาทหรือพชงหรืออะไรก็ตาม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 ตามสาัสตามส่วนตามความออสามารถของเราที่นี้ที่อาตมาออได้กล่าวไว้แล้วว่าเรามีระบบปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งเตรียมขึ้นสำหรับคน ท, ทั่วไปจะเข้าใจได้และปฏิบัติได้ระบบนั้นก็คือคำว่าจิตว่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอาตมาได้เผชิญกับปัญหายากเรื่อง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 หรือตื่นแต่มาจะเป็นจำบวดในทำนองที่อาจจะทำให้คนหลับลง <c oughs> ที่เขาอาจารย์ทิฤทิ์ช่วยช่วยกำหนดหลับสีห้าข้อนี้แล้วช่วยอภิปลายด้วยแต่จะมาจะกล่าวให้สิ้นกระแสะความ <c oughs> ที่เรียกว่า <c oughs> ทำงานไปกิตว่าง <c oughs> ข้อที่หนึ่งนั่น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 สติปัญญานั้นทําให้ฉลาดในการกระทําสติปัญญาทําให้เราฉลาดรูปรอบรู้ในการทําสติสมชัชย์ยะทําให้เรารอบครอบสุขุมในการทำํำนี่คือตั ว, ต, วตัวสําคัญของหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งว่าสติเท่านั้นสติเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดได้แต่เราต้องขยายความเป็นสติปัญญาฉลาดทำสติสมชัชย์ยะแล้วก็รอบคอบทำ สติปัญญากับสติสัมปชัญญะนี่ส่วนหนึ่งแล้ส่วนหนึ่งก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเราสองอย่างนี้รวมกันไม่ได้มีในขณะเดียวกันไม่ได้แม้ว่าจิตต้องเราจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นันนน่นจริงบางทีก็มีอุปาทานกิเลสตัณหาแต่บางทีก็มีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาแต่ขอแท้จริงนั่นมันรวมกันไม่ได้มันมีอยู่ในขณะเดียวกันไม่ได้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 จิตก็ยิ่งว่างใหญ่จึงทํานาได้โดยสนุกสนานไม่มีความคิดนึกน้อมไปในทางมาไปขโมยดีกว่าก็ราะไม่เหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนแจวเรือจ้างกลางแดดกลางลมกลางฝนทวนน้ําด้วยถ้าจิตว่างมาัทธรไม่มีความคิดนึกจินน้อมไปในอทางเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นคนจนเขาเป็นคนรวยทําดังนั้นไม่มีเลย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 กับสนุกสนานชื่นบานร้องเพลงไปพลางแกวเรือไปพลางก็ได้เหมือนกันไม่จะคนถีบสามล่อหรือว่ากรรมกรอย่างอื่นก็เหมือนกันจะต้องมีหลักอย่างนี้จึงจะเรียกว่าขณะนั่นเขาทำงานอยู่วยจิตว่างทีนี้ที่ละเอียดออกไปจะมาอยากจะยกตัวอย่างว่าเหมือนกการที่จะยิงปืนหรือคว่างแม่นตรงนี้เขาต้องเตรียมจิตให้ว่างจึงจะยิงแม่นหรือคว้างแม่น ถ้าจิตเต็มไปเลยอีโก้สมว่าเราจะยิงให้ถูกได้รับเกียรติได้รับรางวัลถ้ายิงผิดเขาจะหากันอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเอยิงได้แม่นยำํำถ้าเขาต้องสํารวมจิตขจัดไ อ, อีโก้สมอยอางนี้ออกไปให้หมดเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับสติปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะเพียงเท่านั้นแล้วทาไปด้วยเอ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 แล้วก็ทําข้อสอบนั้นได้อย่างดีที่สุดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปคือไม่ประมาทเกินไปไม่คลาดเกินไปมันพอดีไปหมดถ้ามันทำโดยสติปัญญากับสติสัมบัติยญาบริสุทธิ์นี่ก็เรียกว่าสอบไล่ด้วยจิตว่างว่างจากความรู้สึ ก, กว่าตัวกูของกูถูกแล้วเด็กๆจะต้องมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวหวังสอบไลเ่เอาเออเาผลนั่นถูกแล้วแต่ขอให้มีอยู่ในขนาดนึง ในขณะที่ลงมือตอบนั้นยาได้มีเป็นหลักาในขณะที่ทํา ข, ข้อสอบคําตอบนั้นยาได้มีให้เตรียมอยู่แต่ด้วยสติสมัมปชัญญะกับสติปัญญาที่เรียกว่าความว่างจากตัวตนนั้นเท่านั้นแล้วเขาก็จะสอบลายได้ดีเป็นพิเศษจําได้เก่งเรียนเก่งจําเก่งคิดนึกเก่งตัดสินใจเก่งที่นี้มาที่สุด <c oughs> แต่เรื่องที่จะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมาใช้คําอย่างนี้ เราจะทะเลาะวิวาสชอกต่อยกันหรือจะเป็นความกันที่ศาลที่โรงที่ศาลเนี่ยก็ให้ทําไปเถอะถ้ามันต้องทำํำนะมากกว่าคนทั้งหลายจะต้องทําเนี่ยขอให้ทําไปในจิตว่างเพราถ้าทําไปในจิตบุ้นแล้วจะมืดมัวจะเสียเปรียบเขาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าถ้าทำไปในจิตว่างแล้วจะพบลู่ทางที่ตีจะสูบขุมรอบคอบจะเชี่ยวเฉลียวฉลาดการวิวาสหรือการเป็นความกันที่โรงที่ศาลนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ สำหรับผู้ที่มีจิตว่างเนี่ยม้แต่จะกชกต่อยกันก็จะก็ขอให้มีเอการกระทําไปได้จิตว่างเพือลืมตัวเสียให้ขาดไม่เลิง้งไม่แต่จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวดเร็วว่องไวอตามอนุภาพของจิตว่างนี่ท่านเล่าอีว่าการชกต่อยกันก็ต้องทําดยจิตว่าง <c oughs> ทีนี้เพื่อความเข้าใจมากไปอกีกมาอยากจะให้ตัวอย่างไปทางหนึ่งว่าการร้องเพลงหรือดนตรีอะไรเนี่ย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 แต่ห้าแล้วถ้าร้องเพลงด้วยกิเลสตัณหานั่นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องจิตวุ่นมีความมุ่งหมายทางเพศทางอะไรกึ้นเลยแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ยาเหมาขึ้นชื่อว่าร้องเพลงหรือดนตรีแล้วจะเป็นเรื่องจิตวุ่นไปหมดต้องขอให้นึกถึงหลักทั่วๆไปศิละปะบริสุทธิ์นั่นมีคุณโดยสนับสนุนอความมีจิตว่างก่วนศินละปะ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 นันท่านผู้ใดมีจิตใจวุ่นกําลังโกรธใครจะผิวปากให้หายให้ใหายอารมณ์ตึงเครียดนั้นะมันก็ยังเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามหลักอันนี้ทีนี้จีละเอียดขึ้นมาเหมือนกับว่าศิละปะฝีมือที่เราจะแสดงออกเป็นความงดงามอย่างจัดแจกันดอกไม้เรืออร่อยตรงนี้ลองดูมีจิตวุ่นและจัดแจกันและมีจิตว่างอย่างว่าแล้วจะจัดอีกแกกันอันไหนจะสวยกว่าขอให้เอ่า ลองดูและเปรียบเทียบดูแต่คำว่าจิตว่างนี้อย่าลืมจะต้องเป็นอย่างเดียสมาว่าสมบูรณ์สิ์สมัญญาปัญญารัตจาาภาทานแตความคุ่นเครียดอยู่ด้วยอ e ีโกเอมแก้กันไหมจะสวยกว่าเี่ยเวลาก็มีน้อยเพราะนั้นจยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็ควรจะพอแล้วสำหรับคำว่าทำงานด้วยจิตว่างนั่นได้ผลดีที่สุดทีนี้ที่ว่า ินอทํางานให้ความว่างเนี่ยคนจะเจ ง, งนแน่นอนไม่จะทํางานเอาเองไม่จะทํางานให้ครอบครัวไม่จะทํางานให้ประเทศชาติศาสนาอะไรหมดแต่ทํางานให้ความว่างนี่มัเป็นการกล่าวทีเดียวเกระโดดไปสู่จุดปลายทางแต่ว่ายังอาจจะมีความหมายที่ลดต่ําลงมาถึงโดยข้อโดยหลังเดียวกันว่าทํางานด้วยจิตว่างนั้นมันต้องทําให้ความว่างหรือเพื่อความว่าง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 อย่างมาก็พร่ำสอนพิกษุที่อยู่ด้วยกันว่ากินอาหารของพระพุทธเจ้าไม่จะกินอาหารของเราหรือของชาวบ้านที่มีกินอยู่ทุกวันเนี่ยให้ตัวตัวขยอย ข, ขยเ ย, ยื่อไปว่าพระเจ้าตัวจริงนั่นคือธรรมะธรรมะตัวจริงก็คือความว่างก็ <c oughs> อค่อยๆเลื่อนกันไปลําเป็นลําดับจนกินอาหารของความว่างก็อพอจะเข้าใจกันได้ส่วนคาราว่าตัวตัวไปนั้นอ่างมากก็ไม่แน่ใจ <c oughs> จึงขอฝากไว้ก่อน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 ครามสมควรแก่อัตภาพของเขาได้หรือไม่ขออาจารย์ชึกฤทธิ์ช่วยอภิปรายอีกครั้งหนึ่ ง, งก็จะอยู่ในพิกลภาวะก็ได้อย่างท้าว่าไม่ไม่ขัดข้องอะไรคือผมเห็นนั่งฟังมาคือขึ้นตั้งขั้นตนแล้วแสดงธรรม ท, ที่เป็นความสัสจดจธรรมที่กว้างขวา ง, วางเหมือนกับพระมหาสมุทรแล้วเสร็จแล้วพอถึงขึ้นในเรื่องที่ว่าความมุ่งหมายของการพ้นทุกข์คือการไม่ยึด ือม่ยึดมั่นการสัดอุปปาทานให้คนนั่นเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทีนี้พอมาเข้ากรอบที่ตรงที่ว่าทำงานด้วยจิตว่างทำให้เกิดทางานให้เกิดความว่างกินอาหารจากความว่างนี่ก็ผมขอประทานโทษขอเปรียบตรงๆคือฟังดูแล้วเหมือนอย่างกับว่าไต่ท้าพยายามจะเทพระมหาสมุดลงไปใส่ขันใบเล็กๆมันใส่ไม่ลง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 ผมยังถือว่าอย่างนี้ที่ท้าวกล่าวในตอนท้ายนั่นไปท้าวเองก็ยอมรับว่าถ้าบวชเป็นพระในการพูด ง, ง่ายในเรื่องเหล่านี้เรื่องทํางานได้จิตว่างเรื่องอทํางานเพื่อให้เกิดความว่างเรื่องอออกินอาหารจากความว่างจนในที่สุดอยู่ด้วยความว่างเพราะฉะนั้นอย่างที่คนโบราณพูดก็จากพระไตรปิฎกอีกแล้วครับที่ว่าคาระวะสําสเร็จพระอาหารหันเราตายภายในเจ็ดวันนั้นผมเชื่อแต่ถ้าพระสําเร็จพระอาหารหันไม่เป็นไรอยู่ไปได้จนกว่าจะแก่ แล้วบางทีก็ไม่ตายอยู่ไปอายุยืนยืนตั้งหลายร้อยปีพระภิกขุภาวะนั้นสะดวกสําหรับ อ, อการปฏิบัติทำอย่างนี้ถ้าว่าจะเอามาติปฏิบัติในทางคารวะกระผมเห็นแม้อย่างขัดข้องเหลือเกินทั้งนี้ไม่ใช่แปลว่าธรรมนั้นผิดเชื่อถือไม่ได้เปล่ากลองข้ามเห็นว่าถูกที่สุดนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนซึ่งยังอยู่ในคารวาผวิสัยจะพึงปฏิบัติแค่ไหนที่ในเท้ากล่าวมานั้นเป็น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 ถ้าเผื่อว่าใครฟังนี่ไปแล้วอย่างดีจริงๆไอ้ที่จิตว่างที่ใส่เท้าพูดน่ะมันก็ไม่ใช่จิตว่างมันเป็นอุปาทานนั่นเองแต่มันว่างจากกิเลสนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนี่พูดในทางโอจิกมันไม่เข้าไอ้ผลเน่ยมันมีทางพลาติกก็ผมรับแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเทศเรื่องนี้ก็ได้ก็เทศเรื่องทําบุญสุนทนอะไรจนในที่สุดอสอนให้สอนไปกรองๆมาทําบุญแล้วตายไปจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ก็ทำดีกันมานั่งพูดในมวกวนไปนอกรูนอกทางทําไม ที่ไม่ได้ปลาในเท้านอกลูก่นอกทางหรอกคือว่ามันก็มันไม่ทางเทศใต่คนทำดีมันก็อย่างธรรมดาสามัญเขาก็มีเดี๋ยวนี้ม า, าจับได้แล้ว <c oughs> คือว่าที่ว่าให้ทำงานด้วยจิตว่างอย่าให้เกื่อนด้วยความรู้สึกว่าเราหรือของเรานั้นหมายความว่าในขณะที่ทำในขณะที่ลงมือทำนี่ต้องมีจิตว่าง สนสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเรามีประเทศชาติศาสนามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อประเทศชาติศาสนาทำงานเพื่อหน้าที่นี้มันมีแล้วมีก่อนแต่ลงมือทำนั่นะ่ะมีมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้จะเรียกว่าเป็นอุปาทานที่เป็นไปในฝ่ายดีก็ได้และอุปาทานที่เป็นไปในฝ่ายดีนี่ไม่ได้ถูกตาหนีตีเตียนโดยส่วนเดียว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 มีอาชีพมาอย่างไรมีประโยชน์ส่วนละส่วนรวมอย่างไรนี่คิดไปได้แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าด้วยจิตว่างเห็่เหมือนกันมีสติปัญญาสูงสุดคิดไปว่าควรจะทำอะไรและมีความสาคัญอย่างยิ่งตรงที่ว่าขณะลงมือทำแล้วก็ให้เหลืออยู่แต่สติกับปัญญากับสติสมชัญญะอย่างที่กล่าวและสตินั้นแน่นอนสติในพระพุทธศาสนาหมายถึงสติปัฏฐาน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 เประโยชน์แก่ความเข้าใจต่อ5ปีหรือ10ปีข้างหน้าและเรื่องจิตว่างหรือทํางานได้ความว่างนี่ก็รวมอยู่ในเอมันในใ น, ใ น, ใ, นในพวกนี้ด้วยนี่เรียกว่าอาตมาพยายามที่จะบอกกล่าวท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาหรือเพื่ อ, อให้ได้ผลทันตาเห็นถ้าเรามีมีมี ว่าข้อว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างไรเอามาสเสนอว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างนี้อาจารย์คริสพูดนี่ก็ ถ, ถูกต้องและมีเหตุผลควรที่จะเอาไปคิดไปนึกและปรับปรุงและสะสงังให้ให้ให้เข้ารูปจนพอที่จะได้รับประโยชน์แม่ในปริมาตรเทียบเท่ากับส่วนน้ำปีบเดียวจากมหาสมุทร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 คำว่าความว่างนี่มันมีความหมายเฉพาะออย่าแล้วย่าอีกว่าคำว่าว่างนิพานว่างอย่างยิ่งนี่มีความหมายเฉพาะหรือพระพุทธภาษิตที่สําคัญอีกข้อหนึ่งว่าสุญโตโลกังเวกขัดสุนี่ที่บอกว่าให้ดูโลกคือทั้งหมดเนี่ยโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเธอเนี่ก็หมายความอย่างนี้ว่าโลกที่จริงมันว่างแต่เราไม่เห็นเป็นว่างแล้วขอพยายามพยายามพยายามให้เห็นจริงให้จนได้ว่ามันว่างอยู่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 สองพันปีเสร็จมาแล้วมีจารึกที่พระอบอัฐิของพระอาหารหันต์ที่ขุดพบที่สารจีกลุ่มสตูเหลานะั้นพระอบจารึกในข้างในมีพระที่ข้างขอบพระอบมีจารึกว่ากระดูกของไคนะ่เขาใช้คำว่าสัพปริสสะสัพปริสสะโมคลีปุตตสสะ พรโมคันลีบุตรผู้นี้ก็คือเราผู้ที่เราเข้าดจักรเป็นพระอรหันต์แล้วก็โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าอาโศกได้ส่งภิกษุออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในทิศทางต่างๆเมื่อท่านตายแล้วเก็บกระดุกไว้ที่นี่อาบนีจจะเรียกว่าสัพุริสัตตะมหาโมคคันลีบุตตัสและออ ก, อ, กออกชื่อมัชชิมมักกัสตะหลาหลายองค์ที่เป็นคู่ร่วมงานของทาง่านข้างหน้าใช้คําว่าสัพุริสะเนีะและว่วตัตบุรุษท่านนั้น ผู้ที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่มาคำอัการก่อนเราเคยพูดกันถึงคําว่าสัตบุตรทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอีกพระด็จถูกหนึ่งพบพระอบหินอย่างเดียวกันปั้จุกระดูก ข, ของพระอาหารหันต์ที่สาคัญคือพระมาหาพระสารีบุตรกับพระโมกคันลานะพระอบไปนี้กลับเขียนหนังสือทสั้นว่าสารีบุตตะนะมหาโมกคันลานะานะไม่มีคําว่าอะไรข้างหน้าไม่มีคําว่าอา ร, าหารหันตรือสบุตรนะ เนี่ยลองคิดดูพระหันที่เด่นที่ย่อเขยตกลับไม่มีสมัญญาอะไรอยู่ข้างหน้าพระหันที่ย่อยลงมามีคําว่าสัพปริสัตยสัตตบุรุษเนี่ยวิธีใช้คําหรือวิธีไหนมันผิดกันจังมากมายอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยนี้แล้วเราคงเขียนทั้งบรรทัดยาวๆเลยว่าพระบรมอย่างงั้นอย่างนี้แก่พระสารีบุตรสมุขคันลานะ นี่ก็เพื่อจะได้รู้กันว่าคำว่าสัตบุรุษนี่ก็มีความหมายยืดหยุ่นกว้างขวางตามยุคตามสมัยจนยากที่เราจะเข้าใจ <c oughs> นี่เป็นคำที่ใช้อยู่ในพระพุทธศาสนาท <c oughs> ี่เปล น, น, นว่าอย่าได้ยึดมั่นติดมั่นในคำมักในคำนี่นัก <c oughs> คือถ้ายึดก็ยึ ด, ใ น, ดในทางที่เป็นผลดีดีกว่า เ ป, เป็นพระอรหันต์ชเอกเนี่ยว่างเลยไม่ต้องเติมข้างหน้าว่าพระอาหารหันต์หรือพระอย่างนั้นอย่างนี้เช่นสาษาริบุตรกับพระโมกขลานะส่วนโมคั์นี้บุตรตัดสานั้นมีตัดสับรุษอยู่ข้างหน้าปีสองคำนะนั่นสรุปความว่าควรเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้อาจจะย์ก็ดเห็นว่าควรมีข้อแม่อย่างไรหรือจะพิปลายอย่างไรจะเอียดให้เพียงเท่าไหร่ กอขอได้กรุณาอีกครั้งเลยแล้วจะได้จบการสราขฉาก็ผมก็เข้าใจน ะ, ะที่ท่านอธิบายมาเนะ่ะคือว่าก็ไม่ได้ยึดพระอรหันต์หรอกพระอรหันต์ก็คนนี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นอะไรแล้วคนส่วนมากยังยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เราจะเรียกว่าสัตว์ปรุษหรือเรียกว่าพาระอรหันต์อะไรก็เท่ากันกมันแล้ว แ, แต่การจัดสมยัยการใช้คามันอยู่ที่การสมัยอยู่มาก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 แล้วก็ถือสินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นปกติไม่เดือดร้อนในการถือนั้นไม่ใช่ว่าใครบังคับให้ถือมันถือไปเองอย่างนี้เรียกว่าว่าคนอย่างกระผมไปทำงานด้วยจิตว่างผมยังมองไม่เห็นเพราะลักษณะของงานมันขัดต่อการจิตว่างภาวะของผมสภาพของผม มันว่างไม่ได้ถ้าว่างครั้งแรกมันก็ไม่เป็นกับผมถ้าท่านบอกให้ผมไปบวชแล้วมันจะว่างผมเชื่อไม่ใช่ว่ายุดอะไรทางนั้นผมก็ไม่หยุดทีนี้ไอการทํางานด้วยจิตว่างนั้นผมก็อยากจะเรียนถามเหมือนกันท่านหมายความว่าย่างไงถ้าท่านบอกว่าทํางานด้วยจิตว่างแล้วงานทางโลกนั้นจะดีผมไม่เชื่อ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 ไองานของโลกมันขัดกันกับเรื่องของการจิตว่างเรื่องของการพลทุกบไอความสุขของโลกมันก็เป็นความทุกข์ในธทางไอคนที่เขาทางานกันเขาเพื่อทําเพื่อหาควา ม, ามทุกข์เขาไม่ได้ไปหาความสุขไอที่หมายความสําเร็จของงานาหมายความในทางโลกถ้าทํางานด้วยเพื่อจิตว่างในความ ส, outgoing, สําเร็จทางทางจิตว่างเป็นความสําเร็จทางทางทุกแต่ว่าจะเอาความกันทั้งสองอย่างไม่ได้สําเร็จทางทางจิตว่างต้องเสียทางโลก งั้นคนเราจะไปบวชันทําไมก็สักน็นั่งกันอยู่จิตว่างกันอยู่ท่านผูกเนไคายอย่างนี้ก็ได้ที่มันว่างไม่ได้มันผูกมัดอยู่อย่างนี้ที่หมายความว่าคาราวาที่จะไม่พยายามทําให้จิตว่างผมว่าทําได้สิครับคือว่างกิเลสผมเชื่อคาราวาควรจะพยายามทำใหว่างแล้วควรจะร<ห>ู้ด้วยทุกอย่างไม่ควรจะยึดจะถือผมเชื่อ ผมเชื่อคือคารวะานะควรจะศึกษาธรรมะพระรูปจา้าควรจะรู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรแต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรู้ด้วยแม้แต่ในขณะที่ทําไปนะ่ะถ้ามันจำเป็นต้องยุดมันก็ต้องยุดเพราะเรายังเป็นคารวะาถ้าปลอยหมดก็อย่าเป็นคารวะาที่ต้องการให้คารวะาทํางานได้ด้วยการที่มีความทุกข์น้อยและมีความมีผลสําเร็จเต็มเนี่ยจะมีวิธียังไง ด้วยจิตบ้างหรือด้วยจิตนี่ผมผมเห็นว่ามันทุกอย่างแล้วครับคือถ้าจะเอาผลสําเร็จทางโลกแล้วมันก็ต้องซื้อผลสําเร็จนั้นด้วยความทุกข์จะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรอกเนยทาขนมบางสองหน้าไม่ได้หรอไม่มีใครเขาใส่บาตรอย่างนั้น่ะ <c oughs> เป็นคาราว า, าสำเร็จทางโลกแต่ท่าต้องซื้อเขาด้วยความทุกข์ผมขอสอนพระสักวันนะครับ <c oughs> ผมอยู่ในโลกผมรู้ล <c oughs> ครับ ไม่มีทางไม่มีทางทำได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะให้สิ้นทุกโดยสิ้นเชิงแล้วจะให้ว่างจริงไม่มีทุกแล้วสละความสำเร็จทางโลกเลิกกันอย่างนั้นผมเชื่อหนต่นะที่ยังในขณะที่ทยังไม่อาจจะสละไปได้ยังจะต้องอยู่ในโลกมันก็สุขบ้างทุกบ้างแต่มันไม่ว่างและมีวิธีที่จะให้ทุกน้อยลงยังไง ก็ก็อย่างนี้แล้วครับก็อย่างที่พูดอย่างที่พูดคือว่าเขารู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ขณะที่ทํางานนะมันต้องนึกถึงงานมันไม่ว่างหรอกมันต้องนึกว่าทําเพื่อตัวอยู่นั่นเองแหละแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดเสียหายขึ้นมาแล้วตอนนั้นแหละธรรมะของสายตาเข้ามาช่วยได้เฮ้ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่ใสีตัวใสีตัวของเราก็่มันเสียไปแล้วหนก็นึกได้มก็ปลอบใจได้เหมือนกันตอนนี้เราจะต้องวิวาดกันแล้วคือความวิวาทของเรามีวาทะต่างกันอยู่ที่ตรงนี้ อาตมายืนยันว่าแม่เป็นขราวาสทำงานอย่างขราวาสก็ต้องพยายามเอาเอาชนะทำให้เกิดชัยชนะต่อความทุกข์คื อ, อการงานนั้นให้ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยอุบายวิธีที่เอาเอาหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทำจิตให้ว่างจากอุปาทานนี่ไปใช้ให้ถูกตามสัด ต, ตามส่วน แล้วให้ลืมความเป็นคาราวาสหรือความเป็นบรรทชิตเสียชั่วคราวมีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าในจิตใจกําลังเป็นอย่างไรถ้าเป็นทุกข์ก็จะแก้มันให้ตรงจุดโดยหลักที่ว่าสิ่งนั้งปวงเกิดมาแต่เหตุนี่แล้วก็ก็จะค่อยเป็นพระอยู่ในในในใ น, ในบ้านในเรือนนั่นเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายถึงขนาดที่ทนไม่ไหวจะห่องอไปอ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 ว, ว่างก็เอาสําเร็จก็คือว่าจะว่างก็จะต้องต้องว่างกลางว่างจะําเร็จก็ต้องสำเร็จถ้ายิงสําเร็จมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งว่างน้อยถ้ายิงว่างมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งสําเร็จน้อยเนี่ยคือข้อแตกต่างกันคือว่าคือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นมหาเศรษฐีด้วยเป็นสัตว์ุรุษด้วยไม่สําเร็จหรอกครับมหาเศรษฐีนี่ทุกมากไม่ว่างยิ่งมีเงน้ากย่งทกมากเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอะไรอยู่คนจะมีได้ไหม นาครับเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอริยะบุคคลมีได้เอ่อถ้ากินได้มรดกมาได้แต่หาเองไม่ได้แล้วถ้าเป็นพระอริยะบุคคลก็ไม่คิดเป็นเศรษฐีซะแล้วเป็นพระรบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยเป็นเศรษฐีด้วยผมไม่เชื่อครับถ้าคนไม่ต้องพระอริยะบุคคลอะครับคนขนาดว่างนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างผมเห็นว่าสมบัติไม่เที่ยงเงินก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ควรจะเที่ยงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ย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 ให้มีความรู้สึกเป็นจิตว่างอยู่เสมอนี้ขอให้นำไปใช้ในทุกกรณีและทุกชั้นทุกวัยทุกเพศให้เท่าที่สามารถจะทําได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ลงมือทํางานรายใดแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ใช้ในกรณีนั้นเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นอย่างเฉพาะส่วนข้อที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับคามคิดเห็นเกี่ยวกับการเวลานี้ไม่สําคัญ โดยเนื้อหาอาจารย์ชื่อดก็ยอมรับว่าเออุปาทานนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําลายต้องละในที่สุดและนั่นเป็นหลักของพระพุทธศาสนานักมาก็ย้ำและยืนยันว่าเราควรเข้าใจธรรมะในลักษณะนี้คือเข้าใจธรรมะลักษณะว่าจะต้องพยายามทําลายอุปาทานตัวกูของกูเนี่ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป แล้วถ้าทําถูกวิธีแล้วจะสบายเย็นอกเย็นใจทําการงานก็สนุกสนานไม่รู้สึกว่าเป็นการชนทรมานแล้วก็เป็นการก้าวหน้าในทางธรรมะพร่วมกันไปในตัวในการทํางานนั้นมาขอขอร้องขอยืนยันและขอร้องให้เข้าใจธรรมะในลักษณะนี้และขอยุติแล้วขอท่านอาจารย์กฤุกล่าวสรุปพัฒนาอีกส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง คือก็ผมกว็อยากจะสรุปนิดเดียวว่าความจริงที่ท่านพุท ธ, าธทาตันจะคุณท่านในกรุณากล่าวธรรมะมานะ่ยผมเห็นด้วยทุกประการไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งเลยแล้วก็เป็นท่านได้พูดความจริงที่สุดในเรื่องการเรื่องตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายท่องปวงเนะ่ยเป็นความจริงซึ่งไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้และเป็นความจริงซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วยิ่งตัดตัณหาอุปาทานลงไปไดมากเท่าไหร่ เราก็เท่ากับตัดความทุกข์ออกจากตัวไปมากเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมมาบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเป็นความจริงที่ควรส่งเสริมควรเข้าใจเป็นอย่างยิ่งควรเผยแพร่เป็นอย่างยิ่งที่ผม ก, การาบเรียนท่านไปก็อยากจะให้ท่านเข้าใจและอยากให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติธรรมะนั้นมันมีปัญหามันเป็นเรื่องของการเสียสละคือว่าโลกกับ ไห้พูดกันอย่างชาวบ้านนี่ทําในที่นี้ขออย่าได้เข้าใจว่าหมายถึงคำตามที่ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ท่านเจ้าคุณท่านไดน้ได้อธิบายมาแล้วตามสามความหมายเของการทำไม่ใชอย่างนั้นพอพูดถึงโลกกับคำอย่างที่เราเพพูดกันทุกวันนี้คือโลกหมายความว่าความวุ่นวายอ่อนระเวงต่างๆทําหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความสงบต่างๆมันเป็นของขัดกันอยู่ในตัวเราอยู่ในโลก เราก็ได้จะยึดทำเป็นที่พึ่งความบริสุทธิ์สะอาดเป็นที่พึ่งความรู้ว่าตัถหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกไว้เป็นประจำใจแต่ขณนะเดียวกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วโลกนั้นมันก็จะหมดความสมําคัญสําหรับเราไปเองมันไม่เชิงว่าไม่ใช่วมันเป็นเรื่องที่เราอยากหรือไม่อยากถ้าตั้งหน้าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้า ให้ถูกต้องแท้จริงแล้วถ้าหากว่าจะถึงพระนิพพานมันก็ถึงเองไม่ใช่เพราะเราอยากไปพระนิพพานหรือเราไม่อยากไปพระนิพพานแต่ในขณะที่เราเป็นคารวะานั้นความยากลําบากมันมีที่ผมพูดผมอยากให้เข้าใจเท่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องเลือกเอาระหว่างความสําเร็จในทางโลกความมีตําแหน่งแห่งหนมีวัฒนามมีความสะดวกสบายต่างๆคนทุกวันนี้ยังเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือความดี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 ข้อนี้ผมไม่ขอยืนยันแต่ว่าถ้าจะเป็นเศรษฐีในทางธรรมคือเป็นเศรษฐีเพราะเหตุว่าไอ้ความเลําบากผิดพลาดยากจนค้นแค้นของตัวเรามันไม่มากระทบใจให้วุ่นวายได้แล้วอย่างนั้นใจเป็นเศรษฐีอย่างนั้นผมยอมรับผมเชื่อมี่มันเรื่องมันอย่างนี้เราทุกวัน น, นี้ผมอยากจะกราบเรียนในทันซาเพราะเหตุว่าการสอนธรรมะกับชาวบ้านทุกวันนี้นะ่ะยากเหลือนะครับเขาแปลผิดเอาง่าย อย่างได้ท้าบอกก็ท athom ใจให้ว่างแล้งานสําเร็จเน่ยเขาเข้าใจทันทีว่าท athom ใจให้ว่างแล้วเงินล้านเงินแสนจะเข้ามาคนทุกวันนี้หายใจเป็นเงินอยู่ตลอดนี่เป็นอุปสรรคของการประกาศธรรมเผยแพร่ธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะกราบเรียนไว้เพราะฉะนั้นว่าโดยทั่วไปผมไม่ได้มีความเห็นแตกต่างเลยแล้วก็ได้ฟังพระธรรมที่ท่านได้อธิบายมาด้วยความจับใจเป็นอย่างยิ่งอย่างลึกซึ้งและได้ความเข้าใจแต่ว่าได้ตั้งแง่ข้อสังเกตต่างๆ ก็โดวยวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งอยากจะให้ท่านอธิบายให้กว้างขวางออกไปอีกให้กระจายความออกไปอีกหรือมิฉะนั้นก็อยากจะแสดงให้สภาพความเป็นจริงทางด้านคารวาัตทางด้านกิเลสตังหาท่างด้านจิตใจของคนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ท่านได้ทราบแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วถ้าหากว่าจะมีทางแก้ไขในในทางธรรมต่อไปยังไงก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าที่ผมพูดมาก็เพื่อ ว, วัตถุประสงค์เท่านี้ไม่ใช่เพราะมีความเห็นขัดแย้ง หรือไม่ใช่เพราะอยากจะมาขัดคอพระให้บาปกรรมประ f r a u ความจริงไม่ได้ขัดคอท่านเลย <c oughs> แล้วประการสุดท้ายผมเองขอกราบเรียนในความสุดจริตใจผมไม่เคยยึดถือพระอรหันต์เลยว่าจะเรียกพระอรหันต์เรียกสัตรบรส ต, ร บ, รร บ, ตรบรุษเรียกสรีรวุธเฉยเย ก, ก็ก็เท่ากันเท่านั้นไม่เคยนึกอยากเป็นพระอรหันต์ไม่เคยคิดจะเป็นแล้วก็ไม่เคยนึกด้วยว่าการเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นของ